พระธรรมเทศนาแผ่นที่หนึ่งลำดับที่สโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่17เจตุลาคม25งพหมีชื่อเรื่องว่าหัวชนฝามิจฉาทิฐิวันนี้เป็นวันจันทร์ที่ส7เจ็ ตุลาคมพุทธศักราช2559ัเมื่อวานเป็นวันพระเป็นวันออกพรรษาเป็นวัน ป, รปรวรณาของพระสงฆ์เมื่อวานพระสงฆ์อยู่ในวัดของเราส6รูปแล้วก็มีพระมา มาต่างถิ่นมาประวารณาด้วยรวมแล้วห้าสิบสามเมื่อวานมีพระมาประวารณาในวัดห้าสิบสามองค์ประวารณาในสงเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็วันนี้เป็นวันแรมหนึ่งค่ำละเป็นวันออกพรรษาสมบูรณ์คลา คงไหนจะไปยังไงก็ไปได้ไม่ขาดพรรษาแต่เมื่อวานอย่างรักรักษาราตีอยู่นะแต่ก็เมื่อวานนี่ก็แปลกเหมือนกันนะ่ะตอนเช้าตอนกลางคืนฝนตกพรําำพรำพอพระจะบินทบาทเทวดาก็เปิดช่องให้เมื่อวานเปิดช่องให้บินทบาตได้สบายสบาย พอโค้งสุดท้ายนะี่ยังเหลืออยู่ไม่กี่ขนฝนฝนก็เลยปล่อยๆ ล, ลงมาอีกพอพระเข้ามานั่งประจำที่นะั่นะฝนเทลงอย่างแรงเลยทีนี้โอ้โหฝนเมื่อวานะไม่ใช่ฝนค่อยนะขนาดพระจัดอาหารใช้เวลาตั้งนมนานฝนยังไม่หยุดจอนที่หลวงพ่อจะแสดงธรรมฝนยังค่อยชาซาลงหน่อย เมื่อวานเรรู้สึกว่าฝนส่งท้ายล้างหางประทิบจริงๆเมืม่อวานคนโบราณเขาบอกว่าปีไหนฝนตกวันออกพรรษาไปว่าฝนล้างหางปริบเบานคือไปจุดโทษในวัดมันก็เกลื่อนไปหมดทั้งควันโทษท้งผงโทษ ฝนตกลงมาชาลางคนโบราณเขาพูดอย่างนั้นว่าพ้นปีเป็น ป, ป, ปีนั้นไปบอกฝนดีฝนดีของปีแต่บางปีไม่มีนะลูกหลานนะแต่ปีนี้รู้สึกฝนเข้าท่ากว่าสามปีที่ผ่านมาสามปีที่ผ่านมาฝนไม่ดีหลพ่อพูดอย่างนั้นได้แต่ปีนี้เริ่มดีแเริ่มดีละปีนี้น ใช้ได้แล้วก็ตกตกกระจายกันอีกต่างหากตกแบบไม่หลับหูหลับตาตกคือบางปีเนะี่ยหลับหูหลับตาตกจนน้ำท่วมพอหยุดหยุดไปานานนานหยุดจนชาวบ้านไม่รู้จะพูดยังไงเรียกหาฝนจนจนได้ถึงแหนังแมว เพื่อเรียกร้องหาฝนแต่ปีนี้รู้สึกว่าคนเทพปดาเทพเจ้าเหล่าเทวราแต่งฝนปีนี้รู้สึกว่ากระจายได้ดีไม่แรงแต่ไม่ค่อยแต่กระจายไม่ขาดนานแล้วก็ไม่ตกแรงนะแปลว่าพอดีพอดนะีอันนี้ฟ้าฝนปีนี้นะลูกลานนะแต่ถึงยังไงออกพรรษาแล้ว หลวงพ่อก็เคยพูดพวกเราอย่ากออกจากคุณงามความดีออการรักษาคุณงามความดีไว้ในใจอันนั้นน่ะอยู่นสถานที่ใดถึงจะในพรรษาหนอกพรรษาเดือนไหนปีไหนพวกเราก็ควรจับทำคุณงามความดีสร้างคุณงามความดีเข้าสู่จิตใจถ้าหากว่าพวกเรา ไม่สร้างคุณงามความดีมันจะเข้าป่าเข้ารกนะถ้าหาว่าเข้าป่าเข้ารกเข้าไปแล้วนะ่ะไม่รู้ว่าน้ำอะไรตัวน้ำอะไรไม่รู้ว่าตัวต่อ ต, ตัวแตนไม่รู้ว่าลุมไม่รู้ว่าบ่อไม่รู้ว่าหิวพอเข้าไปในปา่าดงนี้ก็เหมือนกันนะั่นหะถ้ า, าว่าพวกเรา ไม่เดินตามธรรมนองคลองธรรมไม่เดินตามคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีพวกเรามีแต่ใช้ทิฏฐิมานะเดินเข้าป่าเข้าลกดันทุลังไปเรื่อยอยากจะพูดอยากจะทำอันไหนก็ทำไปโดยไม่ในมองหน้ามองหลังมองซ้ายมองขวาการะเทษะการสถานที่บุคคลผลในสุดนั่นและ ตัวเองนะ่ะพอเข้าป่าเข้าไปแล้วตัวต่อตั ว, ต ว, ตวแตนต่อยเหยียบขวากเหยียบน้ำ อ, ออกมานะตัวไม่เป็นตัวคนไม่เป็นคนเลยเพราะเหตุไรเพราะตัวเองแท้ๆเขาทำทางให้เดินไม่เดินอยากจะเดินเข้าป่าลกป่างรงพงไพรทั้งที่เขาบอกว่ามันผิดนะอย่าทำอย่าพูดอย่าคิดอย่าทำอย่างนั้น ตัวเองอดันทุลังว่าไม่ยอมฟังใครอยากเป็นฮีโร่อยากเป็นผู้ฉลาดอยากจะเป็นผู้เก่งกาจอยากจะเหนือกว่าใครผลที่สุดเขาก็จับเข้าคุกซะผลที่สุดไปคอตกอยู่ในคุกถเถอะนี่ยเก่งไหมมีใครใครก็มาอยากจะถามพอมันถึงข่าวนั้นแล้วนี้ก็เหมือนกันขอให้พวกเราทุกๆท่าน เกิดมาในพระพุทธศานสานาศาสนาเหตุผลศาสนาของพระพุทธเจ้าคือศาสนาเหตุผลสอนคนให้เป็นคนดีสอนคนให้คิดคิดดีทาคิดดีรู้ไหมคิดดีทําดีรู้ไหมทําดีพูดดีรู้ไหมพูดดีพูดอยู่ในกฎหมายทาอยู่ในกฎหมายคิดอยู่ในศีลในธรรม แต่ว่าคิดจะก่อนนะยังค่อยทำยังค่อยพูดแต่คิดไม่อยู่ในศีลในธรรมคิดออกนอกรูนอกทางคิดไปในทางบาปอากุศลพอการกระทาออกมาก็เป็นไปทางบาปอากุศลมอนกันเพราะอะไรเพราะคิดไม่ดีต้นความคิดตัวนี้แหละตัวต้นความคิดสัมมาทิฏฐิตัวนี้แหละไม่ต้องได้รับการอบรมได้รับการศึกษา จากพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนำแนะนำสอนอย่างไรในเมื่อเราได้ฟังได้ยินได้ฟังแล้วก็นํามาคิดนํามาคุ้นคิดในจิตในใจมีเหตุผลมากน้อยแค่ไหนที่เราได้ยินได้ฟังมานี้ในเมื่อเรานํามาคุ้นคิดนํามาพิจารณาไตรตรองด้วยเหตุด้วยผลแล้วเราก็ยอมรับ ใจของเราก็เป็นสัมมาทิฏฐิขึ้นมาทีละน้อยละน้อยเพราะเห็นตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนำสั่งสอนเพราะพระพุทธเจ้าใจของท่านใจบริสุทธิ์ใจของท่า น, านไม่กิเลสไม่เข้าไปครอบงำใจของท่านเป็นอิสระในแนวความคิด เพราะนั้นเวลาท่านคิดขึ้นมาตรัสขึ้นมาบอกกล่าวออกมาล้วนแล้วแต่เป็นศีลเป็นธรรมไม่เบียดเบีย น, ยนตนและผู้อื่นเป็นศีลเป็นธรรมการคิดอย่างนี้เราไม่คิดโลภอยากจะได้ของเขาคิดอย่างนี้เราไม่คิดพยาบาทปลองไล่เขาเราคิดอย่างนี้เราเห็นผูกตามทํานองครองธรรมกฎหมายบ้านเมืองเขาบอกว่ายังไง เราก็เดินตามตามกฎหมายบ้านเมืองศีลธรรมพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างไงเราก็เดินตามแนวแถวของศีลธรรมของพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนำสั่งสอนอย่างไรด้วยเจตนาดีเราก็ปฏิบัติตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนำสั่งสอนดีแล้วนั้นนี่แหละเราดีมาตั้งแต่ใจเ เมื่อใจดีใจถูกต้องใจเป็นสัมมาทิฏฐิการกระทำก็เป็นสัมมาทิฏฐิการพูดออกไปก็เป็นสัมมาทิฏฐิเพราะอะไรเพราะตั้งตนตั้งลำถูกแล้วนะแต่หากว่าตั้งตนตั้งลำตั้งตนไม่ถูกนะเป็นมิจฉาทิฏฐิคิดอะไรก็มีแต่คิดโลภอยากจะได้ของเขาคิดอะไรก็มีพยาบาทปลอง้ลยเข า, เาถ้าเห็นคิดออกมาเลยเห็นขินเห็นความผิด อยากทานองครองทําเขาว่าขาวเขาว่าขาวตัวเองว่าดอาทั้งเขาทั้งทีเขาว่ า, าดำตัวเองว่าขาวยังงั้นเห็นตรงข้ามกับคนอื่นเข า, เาสิ่งที่สิ่งนี้เป็นสิ่ที่เคารบสักการะนะตัวเองพูดขึ้นมาปามปามขึ้นมาเหยียบย่ำทําลายไม่รู้จักสูงไม่รู้จักต่าไม่จุไม่รู้จกัจ ก, จจากการะเทศะ อันนี้เราพอเห็นผิดจากทํานองคลองธรรมคนประเภทนี้อยู่ด้วยกันไม่ได้ต้องจับไปขังคุกเอาไว้อยู่ในพระสงฆ์ก็ไล่ออกจากวัดเพราะอยู่กับพระสงฆ์ไม่ได้พอเห็นผิดจากทํานองครองธรรมลงสังฆกรรมร่วมสังฆกรรมกันไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะเห็นผิดไม่เข้าหมู่เข้าเพื่อนหมู่พวกเพื่อนเห็นอย่างหนึง่ง ตัวเองเห็นอีกอย่างหนึง่งนี่แหละสิ่งเหล่านี้ถึงจะเห็นยังไงก็ตามเราต้องเอาหลักหลักธรรมวินัยของพระพุทธเจ้ามาพูดจากนั้น เ, เราอาจจะจับมองหนึ่งคนหนึ่งอาจจะจับมองหนึ่งมุมหนึ่งแต่สุดถึงที่สุสดเราก็ต้องจับมารวมกันมาพิจารณากัน อ, อ, อย่างคนหนึ่งจับอัตตาคนหนึ่งจับอนัตตาอย่างนี้ มันก็เข้ากันไม่ได้เพราะเหไรคนหนึ่งพูดเรื่องพระสูตรแต่คนหนึ่งพูดเรื่องปรมัตาร ธ, ธรรมปฏิเสธไปหมดแต่คนหนึ่งพูดเรื่องพระสูตรพระวินัยมันจะเข้ากันได้ยังไงเพราะแนวความคิดทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเหมือนกันแต่ว่าเราเอามุมไหนมาพูดกันเพราะนั้นเราต้องออกมาพูดออดคนกลางที่ทันรู้มาเป็นผู้ฟัง ว่าการพูดเนี่ยพูดในแนวปรมัตธรรมหรือพูดในพระสูตรหรือพระวินัยนี่แหละขนาดหลักธรรมคามสอนของพระพุทธเจ้าแท้ๆก็ยังแย้งกั น, นพูดออกมาแล้วแย้งกันยังไงหลวงพ่อนะบอกเราก็อยากจะถามอกีกอย่างพระพุทธเจ้าท่ า, าทนตัดเป็นปรมัตธรรมว่าสังขารร่างกายไม่ใช่ตัวตนของเรา ร่างกายของเราไม่ใช่ตัวตนของเราแต่พวกเราเอาประยัดเอาเอ า, เอารูปประธรรมมาพูดเอาถ้าไม่ใช่ตัวของท่านผมขอเตะท่านได้ไหมอ่าเออเพราะว่าไม่ใช่ตัวของท่านเนี่ยอ่มันก็ไม่ถูกกันลซสิท่นนี่แต่ท่านเอาจุดไหนมาพูดในเมื่อท่านว่าเป็นตัวของท่านจริงๆเราขอถามสิว่า เธออยากแก่นะท่านอยาเกเจ็บท่านอยากตายท่านห้ามได้ไหมไม่ได้ไม่ได้จะว่าตัวท่านได้อย่างไรนี่แหามาันกระจงถกเถียงกันวัดอย่างข้าอีกเหมือนกันเพียงแค่นี้แหละถ้าว่าเรารู้ทั้งสองเงื่อนอันนี้คือพระสูตรพระวินัยอันนี้คือพระประมาตธรรมถ้าเรารู้เรียนรู้แล้วเราจะไม่ถกเถียงกันยอมรับกันแต่และเงื่อนไข เพราะนั้นหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหรวอว่าทิฏฐิคือความเห็นจุดนี้นะเป็นเรื่องละเอียดอ่อน เ, อเราจะไปดันทุกลังเราจงเป็นผู้ฟังจงศึกษ า, าถ้าเราเป็นผู้ศึกษาไฝ่ในการศึกษาไฝ่ในการเรียนรู้ไฝ่ในการฟังแล้วนั่นแหละไปอยู่ในสถานที่ใดร่มเย็นเป็นสุขไปหมดไม่เดือดร้อนไม่คัดง้างกับใครไม่ทะเลาะกับใครไปอยู่กับหมากัถูกกับหมา ไปอยู่กับไส้เดือนกับตุกกระไส้เดือนถ้าคนขวางเขาเราเป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วไปอยู่กับหมาหม า, มาทําไมมึงเดินสี่ขามันทําไม ม, เ ม, ไมัเดินสองขาเหมือนกูวะไปจับหมาเดินสองขาเดี๋ยวหมากัดคออีกฮฮไปเห็นไส้เดือนทําไมมันเลื้อยคานอย่างนี้วะไส้เดือนทําไมมึงไม่เดินเหมือนกับกูวะไปผิดเขาไปหมดอไปเห็นลิงก็ผิดกระเล่งไปเห็น สัตว์ก็เห็นกษัตริย์ผิดกษัตริย์เพราะเหตุไรเพราะตัวเองนัออ่นแหลมันวิปริตใน จ, ใจิตใจมันไม่มันไปเห็นความเห็นไม่ถูกต้องเห็นความเห็นผิดจากทํานองคลองธรรมมันเห็นผิดจากทํานองคลองธรรมมันเป็นไปได้ทั้งนั้นเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกทุท่านทุกคนนะได้มาศึกษาในหลักของพระพุทธศาสนาแล้วต้องฝัง ต้องศึกษาต้องกันกรองไตรตรองด้วยเหตุและผลว่านี้มีเหตุผลอย่างไรเป็นเหตุอย่างไรจึงเป็นผลอย่างนี้เป็นผลอย่างนี้เป็นเหตุมาจากไหนสิ่งเหล่านี้ให้พวกเราตรวจสอบดูเหตุและผลมันไม่เหนือนอกมันไม่เหนือนอกจากเหตุผลหรอกมันมีต้องมีเหตุมีผลอยู่ในนั้น แต่ถ้าเราคิดยังไม่ได้อย่างข้าวนี้เอากลับไปเอามือกายหน้าผากอีกคิดเองมันทำไมยังเป็นอย่างนี้มันเพราะอะไรมันต้องมีมันต้องมีเงื่อนไขมันมีเงื่อนงำมันมีบางสิ่งบางอย่างเั่นที่ออกมาผิดปกติมันจึงเป็นอย่างนี้เพราะนั้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่หลวงพ่อได้พูดให้ฟังสรุปแล้วคือให้ใช้สติใช้ปัญญาใช้ความค้นคิดใช้ การพิจารณาประสบปการณ์ที่ได้ดินที่ได้ยินได้ศึกษามาทั้งหลายทั้งปวงนั่นแหละจะเป็นผู้มีสติปัญญาอยู่น่าสถ า, านที่ใดเอาตัวรอดได้นะไปอยู่กับไส้เดือนไปอยู่กับล่งไปอยู่กับแบลบมลงสัตว์กัดต่อยตัวไหนก็ตามเราก็รู้จักวิธีการเอาตัวรอดได้เพราะอะไรเพราะเราฉลาดนะเราเอาตัวรอดนะ แต่คำคำว่าตัวรอดคํานี้นะ่ะไม่ใช่เขาทําอะไรตามตามด้วยหมดทุกอย่างนะเขาขายยาบ้าเขาไปขายยาบ้ากับเขาเขาดื่มโทราเขาไปดื่มกับเขานะเพื่ อ, เ อ, อ, อไไาาเอาตัวรอดอย่างนั้นไปไวโง่มากไม่รู้จักหลบไม่รู้จักหลีกอไม่รู้จักหลีกปลีกตัวเอาตัวรอดอย่างนั้นไปไวเสียหายอก็ว่าโง่อีกเหมือนกันแต่ถ้าว่าเราเอาตัวรอดตัวรอดอย่างไร ไม่เสียเขาไม่เสียเราอแล้วคนเราเป็นคนดีอีกต่างหากเป็นที่ยอมรับของชุมชนกลุ่มอีกไม่ผิดจริยธรรมอีกไม่ผิดขนบธรรมเนียมประเพณีอีกเข้าเ ข, าเขาได้อีกสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นแหละจุดนั้นแหละที่เราต้องศึกษาท่านใดเราต้องศึกษาจยูในชุมชนกลุ่มใดวางตัวอย่างไร จึงจะถูกต้องจึงจะเป็นธรรมนี่แหละให้พวกเราทุกๆท่านนะพระเนรลูกหลานทุกองค์ที่เข้ามาศึกษาจากหลวงพ่อเรื่องอะไรอย่าไปหัวชนฝาอย่าไปดันโทรงังต้องใช้สติต้องใช้ปัญญาต้องใช้ความรอบขอบทุกอย่างนะเอาต่อในไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรรับพร